วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สองเดือนกุมภาตรงกับวันแหลมเข้าคัมเดือนงี้บ้านหลวงพ่อเดือนงี้ทางนี้เราเดือนสองบ้านหลวงพ่อถ้าว่าเดือนนี้เนี่ยรู้เดือนเตียงเดือนนี้เดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหก เดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบพูดจะขยายถ้าเพเดือนมกราคุมภามีอะไรแต่ไม่ค่อยรู้เดือนนี้ก็รู้กันแล้วแต่ธรรมเนียมประเพณีบ้านหลวงพ่อคือเดือนคู่ยังปลูกบ้านแตงเดือนได้ถ้าเป็นเดือนเีล็กแล้ปลูกบ้านแตงเดือนไม่ได้ปัญหาพอเป็น่างงานสมรดก็เช่นเดียวกันห้าม ประเพณีอางห้ามไม่ให้แต่งงานสมรสยอไม่ให้เอาหัวเอาเนียเดือที่แบบมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็มีปานเปลี่ยนแปลงไปเพราะสังคมมันหมุนมามันก็ต้องไปตามสังคมเขาเดีวยววิวัฒนาเดี๋ยวนี้คนส่วนมากมุ่งหวังในการพัฒนาถนนหนทางพัฒนาบ้านเมือง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 เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนก็มีถางรถยนต์เข้าถึงบ้านเลยบางเทบ้านนอกก็มีรถรถยนต์แบบนี้ดีมีประจำกระทุกบ้านนั่นเองการพัฒนามันเร็วที่สุดเรื่องโลกโดย่อสังคมเพราะมันเป็นสิ่งที่มองเห็นด้วยตาเรียว่าสิ่งแวดล้อมเห็นด้วยตาฟังด้วยหวูแต่สิ่งที่ทุกคนควรจะนึกถึงว่ากความทุกข์ไม่ค่อยนึกถึง มุ้งจะไปแก้ความทุกข์ของคนอื่นแต่ตัวเองไม่เคยนึกว่าจะแก้ตัวเองไม่เคยนึกเอย่าิงๆอาดามาก็เช่นเดียวกันเมื่ อ, อยังไม่เข้าใจเรื่องนี้นึกถึงเรื่องนี้ก็นึกถึงเรื่องพุทธศาสนาทีเดียวพุทธศาสนาเนี่ยเข้าใจว่าต้องมีมพัดมนพระพุทธรูปแล้วก็มีพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วก็มี ยากโยกไปทําบุญมากๆเข้าใจว่าอย่างนั้นเป็นปัจจัยเจริญเข้าใจไหมสร้างโบสสร้างวิหารตัวเองนี่อีกคนหนึ่งเคยสร้างโบสถ์ผลเดียอีกหลังหนึ่งซะด้วยแล้วขึ้นลาอันนั้นทําให้พุทธศาสนาเจริญตายแล้วต้องไปเกิดสวรรค์ตายแล้วต้องไปนิพพานเนี่ยเข้าใจอย่างนั้นจริงๆริอันเนี้สําคัญมากแต่คนอื่นนั้นอาจจะเข้าใจยังไงไม่ได้ต่อเมื่อมา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 คนนักหน้าสู่ตาเป็นการสร้างซื่อเสียแต่กลวงจริงอันนั้นเป็นการสร้างซื่อเสียมันช่เป็นการสร้างซื่อเสียงสร้างซื่อเสียเขามาสร้างซื่อเสียงเนี่ยคนอื่นลบน้องดีแต่ซื่อเสียของเราคือจิตใจมันไม่ลดละโทสะโมหะโลภยังไม่ลดละด้วยมันเสียตัวนี้เรื่อการสร้างซื่อเสียงและการสร้างซื่อเสียมันใกล้กันที่สุดมันเป็นตัวซ้อนเหมือนกันใช่ไหม เป็นเป็นเสลียหรือเป็นเป็นเป็นเป็เหมือนกันเราเสลียเหมันเสียงกับเสียงอย่างเป็นอย่างนั้นทั้งวัดมันใข้กันเราก็เลยไม่เข้าใจตอนนี้ก็เลยอยากมาแนะนําเพื่อนจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นเดียวกันเป็นญาติเป็นโยมก็เช่นเดียวกันเราควรศึกษาและวิพัฒนาตัวเองบ้างตัวหลวงพ่อเองเนี่ยแต่หลวงพ่อโชคชอบ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 การปฏิบัติธรรมนั่นน่ะให้ว่าการปฏิบัตินี่แหละไม่เหมือนกันการกระทำจึงไม่เหมือนกันความรู้เหมือนกันนันเป็นอย่างนี้เห น, นว่าคำว่าปฏิบัติธรรมกับปฏิบัติซีวิคนี่มันเป็นทังเดียวกันเข้าใจไหมซีวิตกับธรรมะเนี่ยคล้ายๆลอันเดียวกันหรือจะว่าอันเดียวก็ได้หรือจะว่าคนละอันก็ได้คนใดมีธรรมะเข้าไปคองอยู่ที่จิตใจแล้วข่มภุกขารุดงอจะกันซีวิต ก, ก็ไม่มีทุกขันธ์ี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 มันสั่งมาจากจิตใจทั้งนั้นล้วนๆทีเดียวก่อนที่จะรู้จักเรื่องนี้ก่อในตอนแรกกาลังเดินกลับไปกลับมาคล้ายๆคือมีคนมาผักตรงข้างนี่เลยวูบเนี่เอ๊ะมันเป็นอะไรเรื่องอันนี้มองถึงคนไม่เห็นคนแล้วแบบนี้มันเป็นยังไงเดินกลับไปตลอดคิดขึ้นมาอีกครัง้งที่สองนี่รู้โอ้ผมคิดแล้วนะมันคิดก็กเลยมา ทำเหมือนแหนกับหนูเนี่ยจะมาชอบเนี่ยพอดีมันคิดมันเห็นโอ้หนูเอามาเมียมันจาับปั๊บมันเหมือนกันเข้าใจอย่างไงเอ๊ะทุกคนก็ทําได้ในเรื่องนี้อ่ะทุกคนต้องทําได้เอคําสอนของพระพุทธเจ้านี่มันสอนคนทุกคนให้คนรู้จักตัวเองเคารพตัวเองนี่คันว่ารู้จักตัวเองเคารพตัวเองเนี่ยทุกคนพูดได้แต่ยังไม่รู้จักคําว่าเคารพตัวเองนั่นหมายถึงอะไร แต่สมัยนี้เห็นคนไปก็ยกมือไหว้อย่างนี้แต่จิตใจอย่าฆ่ากันได้นี่มันเพียงทําเป็นรูปกายเป็นเรียกว่าหน้าไหว้หลังรอกเคยคิดบ้างไหมยอย่างนี้เนี่ยยกมือไหว้ใจก็ไม่พอใจอีกแล้วเนี่ยอ้อนใหัหอนมันคิดอย่างนั้นก็ดีอันนั้นยังไม่ใช่ขารบตัวเองถ้าเราเห็นเพื่อนยกมือไหว้ตัวเองเราก็ต้องเขารบตัวเองเราทําดีแล้วหรือยัง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 จะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ยกมือไหว้จะเป็นโยมก็ยกมือไหว้เด็กๆยกมือกระว่ายได้เหมือนกันพอไม่ได้ยกมือไหว้คนนั้นแต่เป็นการทําไปพร้อมๆกันคือไหว้ตัวเองเห็นว่ามันทําดีแล้วหรือยังเนี่ยมันไม่ได้มองดูชัดลงไปถึงจิตใจอันนี้แหละความเล็งรัดพัฒนามันเข้าทงางตาทางหูแต่ใจเปนไนในข้าวเดี๋ยวนี้นักเรียนไปเห็นครูโรงเรียนหรือไปเจอก็ยกมือไหว้ครู เ พ, เพื่อนมาก็ยกมือว่า้กันแต่ยังอิจฉาเลือดเนเบียดเบียนกันมีความทุกข์สับสนวุ่นวายกันเพราะยังไม่เคารพตัวเองนี่เองตอนนี้เมื่อเรามามองถึงเดี๋ยวนี้ยเอะจิตใจมันเป็นยังไงจิตใจมันอ่อนน้อมทอมตนดีแล้วหรือยังดูไม่ถามใครแต่ถามตัวเองนี่แหละอจิตใจมัยเป็นยางไงแล้วก็เห็นได้จิตใจเราคนอื่นจะมองเห็นได้ทําไม นี่การปฏิบัติธรรมะคือตัวการกระทำนั่นเองอยกพระสูตรพระวินยัยพระอภิธรรมคำสอนของ 8, 000, 000, พระพุทธเจ้าแปดหมื่นี่พันพระธรรมขันธ์อย่างนี้มีพระสูตรตัณฑปิฎกสองหมืนหนึ่งพันพระธรรมขันธ์มีพระวินัยตัณฑปิฎกสองหมืนหนึ่งพันพระธรรมขันธ์เป็นสี่หมื่นสองขันธ์อย่างนี้นี่มีพระอภิธรรมปิฎกเดียวนี่ เอหมื 12, ่นสองพันระนั้รวมเป็นแปดหมื่นสี่พันพระนครั้แล้วก็ไปเรียนตำล้านมาแบบนี้ไม่ได้มาเรียนตัวเราเลยเราต้องขยับเข้ามาใกล้ๆบรียนตัวเราซะถ้าสูตรคือการกระทำนี้เองด้วยมือด้วยเท้านี่พระวีทย์ในคือคำพูดไปบังคับมันไว้คำพูดในย้าํามันพูดไปรัวเลยอย่างที่มันไม่ดีน่ะบังคับมันไว้ท่านอบอนอย่างนั้น สองอย่างเนี่ยมันไปเทียบกับพาธิธรรมพาธิธรรมคือใจเลยสั่งให้กายทำสั่งให้คำพูดพูดออกมาเนี่ยเดียงใกล้ๆที่อาจามาพูดอันนี้แหละเรื่องหน้าที่ที่จะามาเล่าสู่วังในวันนี้แล้วก็ได้อ่านหนังสือนี่หนังสือเล่ม น, น, นี้นี่เองเนี่ยไปหาเพื่อยูดนานวันนั้นให้ใครพาไปซื้อไม่ได้อันนี้ใครซื้อมาตอ น, นี้ยัง พ, พอไปซื้อมาเนี่ย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 เรื่องพระอนาคามีก็ไม่ต้องพูดให้เจริญสติติดต่อดยวิธีการเคลื่อนไหววิธีใดก็ตามให้มีความรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจทมอย่างนี้ลหละรับรองบว่าไม่เกินสามปีความทุกข์ความสับสนวุ่นวายความเดือดร้อนนั่นแะจะลดน้อยลง ถ้าสมมุติเรามีทุกอยู่ร้อยเปอร์เซ็นะความทุกอย่างน้อยต้องหายไปหกสิบเปอร์เซ็นจะเหลืออยู่ภายในสี่สิบปเซ็นความหนักอกหนักใจความไม่สว่างความมืดออในใจนั่นะมีร้อยเปเซ็นก็จะมีความสว่างขึ้นมาในเปเ็นหกสิบเปเซ็นความรู้ก็จะเกิดขึ้นภายในหกสิบเปอร์เซ็นเรื่องหลักพุทธศาสนาเนี่นึกว่าเข้าใจจริงๆ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 ไม่ใช่เหมือนกันนะแต่ว่าคือกันที่ตรงไหนคนอินเดียก็มีตาสองตาหรือคนอินเดียมีกิตามีตาเดียวหรือสองตาสองตาคสองตาเออเหมือนกันนะเออบ้านนี้มีแขนเลยแขนสองกสองแขนสองหูกับเหมือนกันไหมเหมอเออเนี่ยนี่นี่ยําคัญเราไม่เข้าใจว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราจะทุคือกันแต่ว่าสูงดำต่ำขาวไม่คือกันเรื่องธาตุสขันห้า อยายตนาสิบสองธาตุสิบปอินทีย2 <อ>ี่สิบสองอริยสัจสี่ปฏิสัจสมุขกบทมีเท่ากันอันนั้นเป็นตำรานะเป็นตารนาะไม่ใช่เอาตัวจริงมาพูดนะคันห้าเขารูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนั้นก็เป็นตำรานะเราไปเห็นรูปที่อื่นนะอาจจะมาเคยรู้มาไม่เคยรู้รูปตัวเองเลยนี่อัญจนะนาตาหูเนี่ยรูปเสียงเนี่ยมันมาคูคๆกันเลย จกักขูทาโสโตตาธาจากักขูโสตาฐานะสิวหาไปเนี่ยอันละสามอละสามคือว่าธาตุสิบแปดสามหกก็มีสิบแปดแล้วเนี่ยมันเป็นอันเดียวมีเหมือนกันยังว่าออคนไม่รู้เท่านั้นเองดังนั้นที่ว่าการพัฒนานั้นต้องลงมือพัฒนาตัวเองก่อนถ้าจะไปเรี้ยงนัดพัฒนาถนนหนทางนั้นความสับสนวุ่นวายความเดือดร้อนนั้นจะลดน้อยลงมา แต่คงจะไม่ได้ถึงร้อยปอร์เถ้าหากเรามาพัฒนาตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองความทุกข์ความสับสนวุ่นวายร้อยปเซ็นี้อาตมาเข้าใจว่าเสร็จสิบเปอรเซ็นได้ทันทีเมื่อตัวเองไม่มีความทุกข์ไม่มีความสับสนวุ่นวายไม่มีความเดือดร้อนอยู่ที่ไหนมันก็เย็น เนทุกคนก็ต้องการเย็นไหมหรือต้องการร้อนมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาทุกเทศทุกใบต้องการความเย็นเท่านั้นสมมุติต้นไม้เนี่ยไม่ไม่มีใบนะใครจะตัดเพื่อนมันได้เดียวใบมันไม่มีแล้วหน้ามันโดมันร่นลงมาใส่หัวเราแฉไปดูสิถ้าต้นไม้มันมีรากใบมันโด่หนาคนเข้าไปอาศัยรลกมันสบายมันเย็นแต่คนมันไม่เข้าใจเรื่องนี้เท่านั้นเองแต่คนก็หาแต่ต้นไม้เย็น แต่เราไม่เข้าใจความเย็นประเทนี้ถึงเราจะตากแดดตากลมตากฝนอยู่มันก็ไม่เดือดร้อนเพราะหน้าที่ของคนคืองานคนต้องมีงานทำเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเราหางานให้คนทำแต่งานเรื่องนี้ไม่ทำเบียกไปทำงานตามห้างร้านบริษัทต่างๆ ไ, ไม่พอใจไปแล้วมันร้อน <c oughs> เดียกก็ไม่พอใจกับคนนั้นคนนี้หัวนหน้าหรืออะไรทะเลาะกันเอาแล้วเพราะมันร้อน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 ถึงว่าโลกถนนหนทางไม่เจริญก็พอไปได้เป็นอย่างนั้นแต่ไปถึงเหมือนกันแต่บอกควมเร็วนะอาจจะไม่เร็วเหมือนกับสมัยที่ขี่รถนี่อาตมาเคยเดินทางไปไปบ้านที่เหมือนน้เดินไปแต่ไม่ได้ถือห่อข้าวสมัยตัวอาตมาเป็นเด็กไปไปบ้านที่บ้านน้องเนี่ยไปถึงก่อนกินข้าวเลยเลยยังถามอย่างนี้เด็ไม่ถามเรื่องอื่นเลยถามโดยกินข้าวกินข้าว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 แต่ทางจิตใจเนี่ยไม่เคยก้าวหน้าไม่เคยให้มันพัฒนาขึ้นมามันซุดไปซุดไปซุดไปคนที่พูดกว่ายินเอาคนที่ทํากว่ายินเอาคราวหนึ่งอาตมาที่อยู่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยเป็นคนจังหวัดอุดรพวกคุณดายินมทันทีนด้นเลยอย่างที่นั่นที่เขาเปิดร้านบอกเขานิมนต์พระเก้าลูกไปสวดเปิดป้าย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 จะรู้แต่ภาษาบาลีแต่ไม่ได้จะรู้ทำไม ก, ก็เลยถามแป่ให้ฝังแล้วถามสวดให้ฟังแล้วบรรเนียใต้เลยทำตัวโตๆอย่าทำตัวเล็กยุกสูงๆคนไปแล้วให้คลเห็น้ต้ตัวโตๆแล้วจะได้ซื้อง่ายขายดีแต่อะขายแพงมากเกินไปแล้วก็เอากำไรก็จะเอามากแล้วก็ลูกน้องคุณมีห้าคนอย่างนี้ ถ้าหาว่าลูกนองคุณให้เขาเดือนละสมมุติเอาหน้าหนึ่พันห้าคุณเอาคนเดียวสามพันมันก็แย่แล้วเนี่ยเขาได้พันห้าตัวเองเอาคนเดียวสามพันตัวเยอตัวเองเอาสองพันก็ยังดีนะเอาเล้นลูกน้มมองจากห้าร้อยก็ยังไดนะ้ถ้าหากคิดดีๆเอาเนจํานวนนั้นมาสเสียแบนเอาให้เขาได้อยู่ดีกินดีบัด น, นี้เมื่อเขาได้อยู่ดีกินดีเขาก็มุ่งหวังในงานให้มันกล้าวหน้าขึ้นมา คุณไม่ต้องไปหาลูกน้องอีกแล้ว่ะก็เลยสวดให้ฟังโยจักคุมาโมหามลาปะกะโทอันนี้เป็นภาษาบาลีนะพี่แปลว่าท่านพระองค์ใดมีพระปัญญาจักถูกขจัดมลสินคือโมหะเสียแล้วน่ะคุณไม่รู้ขจัดโมหะตัางหากนะอันนั้นไม่ได้จะเป็นขังสักติดอะไรจันมาพูดน้โมตันสาให้ฟัง นโมตัสะอย่างที่เราพูดกันนโมตัสะพระวัตรโตไปละขอลูกน้องแด่พระปุถุภาคจากนั้นอรหันตโตไปผู้ไกลจากกิเลสแต่สมัยเมื่ออาตมาเป็นเรียนอรหันโตเป็นวัสดุดีสัมมาสัมพุทธะตัถลุโดยชอบด้วยตัถลุเองโดยชอบก็เป็นคำเดียวเดี๋ยวนี้เราได้ยกมือไหว้ลูกน้องเสร็จแล้วยกมือไหว้เล็น้อย ลูกน้องก็ไม่ยกมือไหว้นายจ้างเสียแล้วก็ยกมือไหวไ้น้อยแต่ยกมือไหว้แ็ ใ, ใจมันไม่ไหว้อันนี้แหละคือมยังไม่ได้พัฒนาจใจอย่างที่พวกเรามาที่นี่อาตมาอยากให้พัฒนาใจิตใจในวงการของเราในน้อยแต่ว่าพัฒนาก็ได้แต่ว่าสังคมนิยมก็ได้แต่ว่าการเจริญก็ได้คาว่าเจริญก็แปลว่าให้มันก้าวหน้านั่นเอง อย่างที่มีบนภาพเก้าองค์ก็หมายถึงการเก้าหน้าแต่มันไม่ก้าหน้าเอาภาพไปส่วนเก้าองค์ก็ยังทะเลาะไปอยู่ไมเก้าวหน้าทําไมมาอยู่ทางนี้ก็เคยทำหลายครั้งมาแล้วมีบนภาพเก้าองค์ไปสวนเน่ยรู้ไหมบางทีโยมมาสังฆทานที่นี่ต้องการภาพเก้าองค์หลวงพ่อเป็นคนอีกมากทำหลวงพคนเดียวก็ได้หลวงพ่อเคยพูดเอาพูดเอาตัวเองนะก็พูดเอาเองเนี่ยพูดเพื่อทำความเข้าใจนัในสิ่งเพราะคนมันติดสมมุติมันไม่รู้ คำว่าพระก้าองค์กหมายถึงสังฆคุเก้าก็ได้หมายถึงทำการก้าวหน้าก็ได้จึงใดทำแล้วก้าวหน้าก็ไม่ต้องไปเอาพระมาก้าองค์ก็ได้เอาพระไปสวดก้าองค์ทําแล้วมันสุดลงไปสุดลงไปคุณคาเอาพระก้าองค์ไปสวดนั่นกบคาน้อยที่สุดหรือบางทีอาจจะไม่มีประโยชน์ก็ได้ที่นามาเล่าให้ฟังวันนี้ก็เพราะพูดด้วยความจริงใจ ไม่ต้องอ้างเองอาศัยตำลักตำลาอะไรมากกันเรามัวไปติดตำลาการรักษาศิลก็เช่นเดียวกันเมื่อวานนี้มาพูดกันที่จังหวัดยาขูมนี่เหมือนกันพาะสงฆ์องค์เจ้านี่ไปแสดงให้คนอื่นฟังได้ตัวเองไม่เคยกำหนดไม่เคยตรวจเช็คตัวเองสักทีเลยพอดีโยมาพูดนิดเดียวเอาแล้วโตกันขึ้นดำแดงขึ้นมาเียขีจะมาพูดในใจ ไม่ได้พูดออกเสียงดังนั้นเราไม่มีตาทิพย์ไม่มีหูทิพย์มันจะมองเห็นผีได้ไหมมองไม่เห็นเลยโยมก็เหมือนกันพะก็เหมือนกันทางนี้เคยพูดว่าคนที่ใจร้ายใจไม่ดีไอ้ผีเคยพูดบ้างไหมเ ค, เคยพูดน ะ, ะนี่ยถ้าคุณไม่มีตาทิพย์มานจะเห็นไหมก็มองตาที่ย์อดใจโกรธใจเป็นผีแล้วก็มองเห็นอยู่ๆแล้วใครก็เป็นผีได้นะผู้หญิงก็เป็นผีได้แบบนี้ผู้ชายก็เป็นผีได้แบบนี้ ภาะทรงองค์เจ้าก็เป็นผีเช่นเดียวกันเป็นเพียงสมมุติเข้าใจไหมบันเนศคนใดทำดีพูดดีหน้ายินแยิเเียงคนดีใจดีคือพระธรรมเนี่ยเคยพูดไหมแล้วไอ้นางเนี่ยพูดดีว่าดีแต่งเนื้อแต่งตัวนำดำถือรู้จักขบุมํมเนี่ยนาง น, นี้คือเทวดาเราไม่มีตาเทปใจเห็นไหมไม่เห็นเลยดังนั้นวันนี้จึงอยา อยากให้พวกเราศึกษาตัวเองให้มันมีตาทิพตให้มันมีหูทิปขึ้นมาตัวเซ็กตัวเองบ้างดังนั้นจึงว่าผีคือการทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วนั่นเองเทวดาคือการทําดีพูดดีคิดดีนั่นเองอันเทวดาอยู่สั้นฟ้านะี่ยยังไม่ต้องไปนรกใต้ดินยังไม่ต้องไปเราต้องมองเห็นเดี๋ยวนี้ก่อนพอดีบางคนอ้ใจเป็นผีแล้ว มันจะไปนรกแล้วคนบุกคนซีเล็กเล็กไม่น้อ ย, อยเป็นธรรมดาเป็นใจมันดียิดเยื้งเจ็บห่เทวดาเป็นอย่างนี้เนาะแล้วเขต้องรู้จักเทกล่างกายตัวเองออคนใดมีหินิโอตะปะก็เป็นเทวดาได้ทันวันนะดังนั้นธรรมะอันนี้ควรที่เข้าไปอยู่กับจิตใจคนควรเข้าไปอยู่กับครอบครัวของคนแล้วควรเข้าไปอยู่กับพระสงฆ์องค์เจ้า เรื่องนี้ไม่ใด้ให้ธรรมะเนี่ยเดินไปหาคนนะธรรมะมันมีอยู่แล้วแต่มันถูกปิดคือคกุญแจมันล็อกเอาไวา้มันไขไม่ได้การทําบุญการรักษาศีลการไปทํากรรมฐานมันไม่ใด้เป็นเรื่องไขกุญแจตัวนี้การทําบุญก็ไม่รู้บุญอจะมาไม่ไม่รู้จักบุญจะเอาบุญได้ไหมเหมือนกับไก่ไม่รู้จักเพศนั่นเอง มันก็เชียเล่นไปในใกล้มไม่รู้จักเพศไม่รู้จักทินงเลเนี่ยการรักษาศิ้ก็เช่นเดียวกันอาตมาเคยรักษาอุโบสถทสิ้มาตั้งเติมว่าเป็นนมแต่ไม่รู้เนี่มันเป็นอย่างนไงแล้วจะได้ทิเหมือนกันได้อย่างที่สมมุติโพูดในเรย่างนนั้ีการทํากรรมฐานก็นั่งได้สงมบมแบบแกสงบแบบนั้นมันไม่ได้สงบแบบนี้มันเป็นคนละเรื่องเดียวลูกคนแก่คนลนดอกกันแล้วเอาไปไข่มันจึงไม่เข้ารองเข้าลอยกัน ถ้าเป็นลูกของมันจริงๆเอาไปซุกเขาแล้วไขออกมาทันทีจหมันรับรองได้การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแต่ไม่ต้องหลับตาเคลื่อนไหวโดยวิธียร์กอรู้เอาไม่เกินสามปีไม่ถึงเจปีเดบกอันี้รับรองได้คำจริงๆนะไม่้ซิทกับบุคคลผู้ที่รู้จริงๆนะเอาให้เวลาเก้าสิบวันไม่มากก็ น, น้อยเพื่อนจะรู้ขึ้นมาจากธรรมชาติมันจริงๆ เหมือนกับพืชทุกเม็ดแต่มันมีแล้วแต่เราไปเพาะที่เป็นซุ่มมันเย็นเมื่อไปตกที่ซุ่มที่เย็นแล้วมันก็จะงอกขึ้นมา ท, าทันทีถ้าไปตกที่มันไม่ซุ่มไม่เย็นมันก็นานงอกบ้างถ้าไปเพาะที่มันใกล้ๆกับไฟแล้วไฟไหมเไปไม่งอกก็นีเป็นอย่างไงอันที่พูดไี่กว่าเช่นเดียวกันดังนั้นเราไปมัวจะให้ทานมัวรักษาศีน มัวทาความสงบแต่เราไม่รู้เลยสมงบแบบนั้นมันยังเดือดร้อนเนี่ยอันนี้สมุติก็ได้ยังไงก็ได้ใครจะพูดเรื่องอะไรก็ได้แต่เรารู้สมมุติเรื่องกับอยู่ได้ให้นอกจากสมมุติจริงๆเดี๋ยวนี้คนมันติดสมมุติจึงมันไม่รู้สมมุติสมมติจะเป็นฟ้าบังจากสุไม่เป็นอย่างไงตัวเองของอาตมาก็เช่นเดียวกันเคยติดมาแล้วเรื่องนี้แล้วการพูดสมมุติให้คนฟังเน่ยคนไม่เข้าใจ เพราะมันไม่เคยได้ยินได้ฟังเนี่ยมันได้ยินแต่สมมุติใครก็รู้เนี่ยสมมติอย่างอันสมมุติอะมันรู้แต่มันไม่รู้เมือกับคงคิดแล้วใครคิดก็รู้แต่มันไม่รู้มันคิดแล้วเข้าไปในความคิดเลยเนี่ยพอได้เข้าไปในความคิดมันไม่รู้ความคิดแล้วมันบอกคงคิดลากไปเลยมันก็ไม่เห็นความคิดแล้วเป็นอย่างนั้นอันรักษาศีลก็เช่นเดียวกันมัวไปรักษาศีลห้าปานาไม่ให้ฆ่าสัตว์อาทนาไมให้รักของเขา การเมไม่ประพฤติผิดแตกามมุสาไม่โกหกสูลาไม่ดืมด่มน้ำมาไปรักษาอันนั้นไม่เคยดูใจตัวเองเลยม็กกดีอันนั้นกด็ดีอัตมาไม่ได้ว่ามันไม่ดีดีแล้วนะก็ะดีบัดนี้เราไม่ต้องไปรักษาถึงห้าคนไดอ้อย่างนิยมเกิดอ่ยทำลายหลักพุทธศาสนาแล้วไม่ได้ทำลายนี่แหละตัวจริงทําให้หลักพุทธศาสนาจเจริญขึ้นมาได้จริงจริงเมื่อมาดูสภาพจิตใจของเราแล้วมัน กีนกันไปทั้งหมดเลยจิตใจมันคิดไม่ดีเราบังคับได้เพราะเรารู้สึกใจเราแล้วเมื่อการเคลื่อนไหวทางรูป ก, กายเนี่ยไปทางไม่ถูกต้องเราบังคับได้เพราะเราเห็นกายเราเองเห็ในใจเราเอง น, นี่ตัวศีลวันนี้มัวไปรักหาศีลเนี่ยไม่ได้ดูใจเรายกมือไหว้ขึ้นปานามไม่รักของเขาอธินามไม่เอะปานามไม่ฆ่าตัดพวกผิดจริีหลงปานาให้ฆ่าตัดอธินามไม่ให้รักของเขา กับ um